أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و به نستعين ولا عدوان إلى الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيط ولك الحمد بدار رضا واشهد أن لا إله إلا الله وحذو لا شريك ل إ ل الأ آ ه الأولين والآخرين واشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله อาร س الله ب ا ه د ى ودين الحق ل ج ز ا, إ, أ ل ت ي ن كله ولو ل ه ا ل ك ا ف ل و ن م ا ب ف ن استقل ح د ي ث كتاب الله و الله ي ا ل ح م ح ص رالله عليه وسلم بشر ا ل م ح ا ت و بشر ا ل م و ر ا ل م ح س ا ت ه ا و كل م ح ا ت ب د وكل ب د ة ضلال أما ب السلام عليكم و ر ح م الله وبركاته ครับพี่น้องที่รักทครับกลับมาทำการพูดคุย ทำการเรียนรู้ทำการศึกษาให้คำที่ประเสริฐที่สุดแล้วก็ดียิ่งที่สุดสำหรับผู้ศรัทธาเรานั่นก็คือพระดำรัสของพระลอสุบาหนวะตาแล้วเรายังคงคุยก uh uh tamam uh ันอยู่ในสุรท์ที่แปดสิบก้านี่ก็คือสุรตุลอัลฟัจหรือว่ายามรุ่งอรุณหรือว่ายามรุ่งสายนะครับผมซึ่งเป็นสุรท์ที่มีจำนวนทั้งหมด30สิบอายาด้วยกัน พี่น้องที่รักยิ่งครับเราได้คุยกันไปแล้วในส่วนของอายาแรก world first ในเรื่องของรุ่งอรุณแล้วเราก็ได้ส่งเสริมสนับสนุนนะครับเหมือนกับที่ท่านรบีมอมัสละลอยสลามได้สนับสนับสนุนและก็ส่งเสริมพวกเราในเรื่องของการให้ความสำคัญในเรื่องของละหมาดฟัชอรี y แล้วก็การให้ความสำคัญกับช่วงของเวลาเช้าตรู่ซึ่งก็มีความดีงานมากมายซึ่งพี่น้องสามารถกลับไปรับชม เสริมได้สำหรับท่านที่สนใจนะครับก็ในช่องยูทูบนะครับอียาสวารีก็สามารถรับชมย้อนหลังได้เพื่อจะได้หาได้ง่ายขึ้นนะครับผมพี่น้องที่รักครับเมื่อพวกลอสซูบฮานหัวตราพวกนั้นสาบานอย่างที่เราได้คุยกันมาเป็นประจำการสาบานของโฮลลอสซูบฮานหัวตาลานั้นพวกสาบานเพื่อให้มนุษย์นั้นได้คิดได้ไขขวนในสิ่งที่พวกนั้นทรงสาบานซึ่งสิ่งต่างๆที่พวกสาบานนั้น จะเป็นสิ่งที่จะเพิ่ม إ ي ่ ا ن ให้สําหรับผู้ที่ศรัทธาต่อพระองค์อยู่แล้วหรือในกรณีของผู้ที่ยังไม่ศรัทธาต่อพระองค์ในการสาบานนั้นก็จะมีสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการมีอยู่ของโฮลลอสสุปหานุวาตาแหละหมายความว่าใครก็ตามหากเขาใขวควรหากเขาใช้สติปัญญาหากเขาพุ่นคิดในสิ่งที่โฮลลอสสุปหานุวาตาทรงสาบานเอาไว้ในคำภีร์ของพระองค์เขาจะได้ประโยชน์อย่างแน่นอนไม่ว่าเขาจะเป็นมุสลิมหรือ จะไม่ใช่มุสลิมก็ตามแล้วก็ขอย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับมุสลิมเราสาบานได้กับผู้อัลลอฮฺซุบฮานฺฮุวาตาเท่านั้นคือเราจะสาบานกับสิ่งอื่นไม่ได้เราจะสาบานกับดวงอาจารดวงอาทิตย์หรือว่าสิ่งอื่นสิ่งใดที่เป็นมรคลุกไม่ได้เด็ดขาดมุสลิมเราสาบานได้กับผู้อัลลอฮฺซุบฮานฮุวาตาเท่านั้นส่วนผู้อัลลอฮฺซุบฮานฺฮุวาตานั้นพรค์สามารถสาบานกับอะไรก็ได้ในสิ่งที่องค์ทรงสร้าง ซึ่งอย่างที่ย้ําไว้แล้วนะครับว่าทุกการกระทําของพวกลอสุบะฮานูวัตลานั้นไม่มีการกระทําใดที่ไร้สาระพวกลอไม่ทําอะไรที่ไร้สาระเด็ดขาดซึ่งถ้าพวกองจะทํามันก็เป็นสิทธิ์ของพรกองแต่พวกองก็ยืนยันแล้วว่าพวกองจะไม่ทําอะไรที่ไร้สาระแน่นอนครับผมคุณอาซยะคลองหลวงนะครับรับชมจากกระบี่ภาพเสียงชัดเจนอัลฮ์ห้มดุริลลาบาระกะลอฟิคุมครับผมพี่นังที่สละมาก็วาเล็ตุนสลับมอลัตุลลอฮ์วะบาระกาตู พี่น้องครับในสุรห้หนนี้ครับอย่างที่ผมเคยพูดไว้แล้วนะครับถ้าเราข้ามมาดูอายะที่5 h a l ัลฟีเดร k ยกอ s เซอร l มุล i h ดีฮสุรนนี้เป็นหนึ่งในอีกหลายสุร้ห์ที่ว่าพวกลอสุบะฮานอตาเริ่มด้วยกับการสาบานซึ่งปกติเมื่อพวกสาบานปุ๊บพวกเราก็จะกล่าวถึงประเด็นของการสาบานว่าทำไมถึงสาบานอย่างเช่นว่าอขอสาบานด้วยกับการเวลาทำไมถึงสาบาน ล, ล่ะมนุษย์นั้นขาดทุน ก็คือจะมีเหตุแล้วก็มีผลเหตุที่สาบานเพราะพลอเลสจะย้าในเรื่องอะไรปกติจะเป็นแบบนี้ก็คือมีการสาบานพลอเลสสาบานกับอะไรสักอย่างแล้วก็มีเหตุที่พลอเลสสาบานแต่ในซูร้อนนี้ครับพลอเลสมีวักหนึ่งที่เพิ่มมาให้ฟีเดอร์เรียกว่าคอสลลี่ฮในการสาบานเนี่ยมันมีสาระสําคัญนะในการสาบานนี้ มันจะมีประโยชน์สำหรับผู้ที่ลีรีฮิผู้ที่ใช้การคุ้นคิดผู้ที่ให้ควรอย่างแท้จริงแปลว่าพวกเราล้อย้ให้รู้ว่าการสาบานในซูร่านี้มีประเด็นเสริมนะมีประเด็นเสริมซึ่งหลักๆ ก, ก็คือจะเป็นการเสริมเพิ่มอม م านให้กับผู้ศรัทธาแล้วก็เป็นประเด็นที่ว่าเราอ่านเลยๆไม่ได้เราต้องให้เวล า, าก็เราต้องทุ่มเท เช่นในตาหน้าพวเลาะษ์สาบานกับรุ่งอรุณซึกประเด็นของรุ่งอรุณเน่ยเยอะมากๆแล้วพวเราก็สาบานกับไรต่อครับวัลยาลิอัสแล้วพวกลักษ์ได้สาบานกับค่ําคืนทั้งสิบวัชชบิวันวัตแล้วก็ขอสาบานด้วยกับคู่กับชี้วันไลลีเดียสแล้วขอสาบานด้วยกับยามกลางคืนเมื่อมันได้มาถึงเมื่อมันกําลังเข้ามาถ้าเราสังเกตดูครับการสาบาน 4ี่อย่างในสุร้อนนี้เป็นการสาบานที่ว่าเราต้องนั่งคิดจริงๆล่ะพี่น้องคือปกติสาบานก็ชัดเจนเลยสาบานด้วยกับมา้าวิ่งหอบหรือจะแปลว่าอูฐที่ใช้ในการเดินทางหรือสาบานด้วยกับเวลาสาบานด้วยกับอะไรปกติฟังพุทธมก็ชัดเจนในตัวของมันแต่พอมาในสุร้อนนี้ครับยามรุ่งอรุณนะขําคืนทั้ง10บอ่านี้เริ่มเริ่มจะเป็นประเด็นละอะไรคือข้าคืนทั้งสิบทาไมต้องทั้งสิบต้องมานั่งคิดกันยาวหน่อย วอชชาร์วันวัดแล้วขอสาบานกับคู่กับขี้อันนี้ยิ่งหนักเลยพี่น้องที่ว่าหนักในนี้หมายถึงว่าเราต้องทำงานหนักเลยในการคิดคข่ควรว่าสิ่งที่โพลส์สาบานเนี่ยโพลส์สาบานกับอะไรแล้วมีสาระอะไรบ้างในฐานะที่เรานนั้นเป็นผู้ศรัทธาที่เราจะได้ประโยชน์ที่มันจะทำให้อีหมานของเรานั้นเพิ่มขึ้นถูกต้องครั บ, บทัซีเราเรียนเพื่อที่ให้อีมานของเราเพิ่มขึ้น ให้การที่อะไรก็ตามที่เราหลงลืมไปนั้นเราได้คิดได้หรืออะไรที่เราไม่รู้ให้เราได้รู้วัลยาลิลอชเมื่อพูดถึงคาคืนทั้ง10พี่น้องบางท่านบอกอาจารย์ฉันจะรู้ได้ไงว่าเป็นการสาบานเวาในกรุณาลมีเยอะแยะไปหมดพี่น้องสังเกตดูนะครับตามปกติถ้าขึ้นต้นซูรอหรือขึ้นต้นอายะด้วยกับเวาถ้าพี่น้องเจอการขึ้นต้นอายะด้วยกับเวา แล้วคําที่อยู่หลังวาวนะครับมีสะระอีหรือสะระอินขอให้รู้เลยว่าวาวานั้นเป็นวาวสาบานอย่างเช่นอันแรกว่าไงนะครับวัลฟัชเจรครบ2เงื่อนไขไหมเงื่อนไขแรกมีวาวเงื่อนไขที่2คําที่อยู่หลังวาวมีสระอี้วัลฟัชเ ร, รู้เลยว่านี่คือการสาบานวาวนี้คือวาวสาบานไม่ได้แปลว่าและเฉยๆเช่นเดียวกับวัลยาลินอัชรินว่า วาวขึ้นต้นด้วยกับวาวะละยาลินอ่าสลาอินเห็นไหมครับหรือว่าลายยาลินก็แปลว่าขอสาบายด้วยกับยามค่ํำคืนทั้ง10บวัชชฟีวัลวัตรีอ่าขอสาบายด้วยกับฮู้แล้วก็ขอสาบายด้วยกับที่วัลไลลีอีดาเยสแล้วก็ขอสะบายด้กับกลางคืนเมื่อมันเข้ามาอันนี้ก็เป็นการสังเกตเล็กน้อยนะครับเพื่อที่ได้รู้ว่าวาวในอัลกุรอานที่เราเจอนั้นเป็นเวาวที่แปลว่าสาบายไหม ก็ดูว่าวาลนั้นสระอาใช่ไหมคำที่อยู่หลังวาวสลสระอีหรือสระอินใช่ไหมถ้าใช่ก็คือคําสาบานครับผมคุณนัทมารุษนะครับทักทายมาเจจากุมุลหุไหรันครับผมคําคืนทั้งสิบคืออะไรพี่น้องถ้าเกิดพูดถึงคืนทั้ง10บอะพี่น้องคิดถึงอะไรก่อนอะอย่างนี้ก่อนแต่แน่นอนครับทับซีฟเราก็ต้องดูตามที่ปราดในเรื่องของผู้เชี่ยวชาญด้านอ ธ, ธิบายกบรานท่านอธิบายมาแล้วเราก็ว่าตามที่ท่านว่าเพียงแต่ผมอยากชวนพี่น้องคิดกัน ถ้าบอกถึงคืนทั้ง1ิพี่น้องคิดถึงอะไรบ้างในเรื่องนี้นะครับนักวิชาการมีทัศนะอยู่ไม่ต่ำกว่าหาทัศนะในการอธิบายว่าค่ำคืนทั้ง1ิที่พว้อัลลฮฺซุบฮานะฮุวตราได้ทรงสาบานไว้คือค่ำคืนไหนของเดือนแน่นอะนครับถ้าเกิดนับถึงเดือนเราก็ต้องหมายถึงเดือนตบามระบบอิสลามใช่ไหมครับก็คือมหมุฮัรอมซาฟัตลบิดอวรุสานีเลียงไปเรื่อย ไม่ใช่เดือนมกราภุมพามีนาเพราะว่าเดือนสำหรับโพลล้อนั้นหนึ่งปีมีสิบสอเดือนเป็นเดือนตามระบบที่มุสลิมใช้ก็คือมุฮัรรอมสฟัดเพราะฉะนั้นครับเมื่อบอกว่าวะลายาลินอชประเด็นแรกครับนักอถาธิบายกุรอานเนี่ยเขามานั่งถกกันเขามานั่งคุยกันเขามาแลกเปลี่ยนความรู้กันว่าค่ําคืนทั้งสิบนี้เป็นค่ําคืนที่เจาะจงไหมหรือไม่เจาะจงเหมือนว่าเฟิร์เจรีที่เราคุยกันตอนแรกใช่ไหมครับว่าฟาดในที่เนี่ย พลัสาบานที่กับรุ่งอรุณแบบรุ่งอรุณของทุกๆวันรุ่งอรุณไหนก็ได้หรือเปล่าหรือว่าเป็นรุ่งอรุณที่เจาะจงในที่นี้ถ้าเกิดเราดูถึงความเกี่ยวพันนะครับถ้าเกิดเราดูว่าทั้งหมดเกี่ยวพันกันเวลฟัชเวลยาลีอชเวชชา์ฟีเวลวัชเวลาลีไดอัสถ้าเราดูถึงความเกี่ยวพันทั้งหมดจะมีความหมายที่ทําให้ทั้งสีว่วคนี้ล้อไปด้วยกันได้ เรามาดูทัศนคของนักวิชาการก่อนมาดูว่าพี่น้องแต่ละท่านนะครับที่คาดเดากันไว้นะครับมีท่านใดตรงกับทัศนะของนักวิชาการท่านใดบ้างทัศนคแรกครับมีการกล่าวว่าท่านอิบนะอับบาสเป็นปาดในเรื่องของการอธิบายกรุรอานเป็นสาบาตที่พวเราทราบกันดีนะครับผมท่านได้บอกว่าลายลินอัชเนี่ยหมายถึงค่าคืนทั้งส0วันแรกของเดือนอมดอ ค่ำคืน10วันแรกของเดือนรอมฎอนโกลัสสาบานด้วยกับ10คืนแรกของรอมฎอนวันฟรชวายลเยร์อัชสาบานด้วยกับยามเช้าตรู่แล้วก็ขอสาบานด้วยกับค่าคืนทั้ง10ที่เป็นค่าคืน10คืนแรกของเดือนรอมฎอนทีนี้ครับบางท่นานนะบอกว่าไงครับไม่ใช่10คืนแรกแต่น่าจะเป็น10คืนสุดท้ายของรอมฎอน ทำไมถึงเป็น10บคืนสุดท้ายของรมอเดรนเพราะ10บคืนสุดท้ายมีคืนเลดตุนกอสอยู่แล้วก็อย่างที่พวกเราทราบก็คือเป็น10คืนที่มุสลิมนั้นจะทุ่มเทในการทําอามันอิบาระดา์เป็น10บคืนที่มุสลิมจะทุ่มเทการทําอามันอิบาระด์มากที่สุดในรอบปีพี่น้องเห็นด้วยไหมครับถ้าเกิดเราพูดถึงรอบปีเนะี่ยถ้าถามว่ามี10คืนไหนที่มุสลิมเราทุ่มทําอามันอิบาระด์มากที่สุด ทุกท่านน่าจะพูดเหมือนกันว่าก็น่าจะต้องเป็นสิบคืนสุดท้ายของเดือนละมอดอนเพราะว่าแต่ละท่านก็แสวงหาครออะไต้นก่อนเป็นราชการบางส่วนก็มองว่าสิบคืนที่พวกรัสาบาลนี้ถ้าเป็นการจ่อจงน่าจะหมายถึงสิบคืนสุดท้ายของเดือนระมอดอนเช ก, นกัมุชารีตครับอัตโตบรีครับผมเจ้าของหนังสือตับซีที่เป็นที่รู้จักกันดีนะครับท่านบอกว่าไงครับ 10บคืนที่พวกเราสาบานไว้เนี่ยคือ10บคืนของเดือนมูฮัตรอมต่างหากแต่เชคอินมุจริดไม่ได้บอกนะครับว่าท่านอัลทานนี้มาจากใครเพียงแต่ท่านยกมาว่า10คืนที่ถูกสาบานนี้คือ10คืนของเดือน ม, มูฮัตรอมซึ่งเป็นเดือนต้องห้ามอย่างที่พวกเราทราบกันดีมูฮัตรอมคือเดือนต้องห้ามแล้วก็ในช่วง10บคืนนะครับอย่างที่เราทราบกันดีครับคืนที่10บหรือว่าเช้าวันที่สิบ ก็คือวันอาชู ร, รอที่ว่ามุสลิมเราจะถือสินอดกันใช่ไหมครับสินก็แน่นอนครับมีทั้งอิบารัดาที่ท่าน อ, อับดุลโมฮัอหมัดสุลต่านส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็มีทั้งอิบารัดาที่ว่าถูกอุตริกรรมขึ้นมาในภายหลังคือแทนที่จะถือสลรถบางคนก็ไปจัดเป็นงานเลี้ยงเฉลิมฉลองลื่นเริงไปซะก็ไม่ได้ถือสินอดก็ทิ้งสุนนะไปแล้วก็ไปทําบิดอาซาก็เป็นเหตุนัที่น่าคิดเช่นเดียวกันนะครับผมที่ว่า10บคืนแรกของเดือนมุัรรอม เพราะมันก็จะเกี่ยวกับที่สะบานอายะแรกวันฟัตที่ว่าขอสบานในยามรุ่งอรุณแปลว่ารุ่งอรุณในที่นั้นก็คือรุ่งอรุณของคืนที่10บหลังจากที่ผ่านคืนที่10มาเป็นเช้าวันที่10บก็คือวันอาชุรอนันเองก็แปลว่าถ้าแปลว่าเป็นค่าคืนทั้ง10แรกของเดือน ม, มูฮัตรอมเนี่ยมันก็แปลล้อกันดีกับสุระช่วงแรกของสุรอที่ว่าวันฟัต ทีนี้ครับทัศนะที่4ครับบอกว่าไงครับการสาบานส0บคืนในที่เนียที่พวรัสาบานเนี่ยพรัสสาบานสิบคืนที่พวกรัเพิ่มให้กับนบีมูซาที่พกราากล่าวในกุรานว่าไงครับบอกว่าอัตนามูซาสซลซีนาลยและันว่าอัตมัมนาฮาบีอัชารินปะตามมามีกอเตอรับีอรบอัลยอไลลที่พกราากล่าวในกุรานครับแล้วเราได้ให้คำมั่นสัญญาณัดมูซาไปพูดคุย 30คืนแล้วเราก็ได้เพิ่มให้สมบูรณ์อีก10คืนเป็น40คืนในยักกุรานพงษ์ก็ใช้คําว่ากลางคืนไม่ได้ใช้คำว่าวันใช้คำว่ากลางคืนเพราะนักตรัพย์ศีนันกอธินนบายกุรานบางส่วนก็มองว่า10คืนที่พงษ์สาบานเนี่ยคือ10คืนที่ท่านอบีมูซาไปรับบุตรบัญญัติที่เพิ่มมาจาก30วันถ้ามองในความหมายนี้ประโยชน์ก็จะได้แก่ บรรดากลุ่มชาวยูที่ว่าเขาจะได้นั่งคิดว่าเจ้าจำได้ไหมพวอล้อความเชื่อพวกเจ้าอย่างมากมายแล้วพอล็อกก็ได้ประทานคมภีพรพอล็อกก็เลยมีมุซาไปเพื่อรับบัญญัติจากพงโดยตรงนี่คือความโปวดปานเจ้าอย่าได้เป็นผู้ฝ่าฝืนพอเราคิดคําว่าวรยาลินอัชในแต่ละความหมายมุสลิมเราจะได้ประโยชน์เราจะได้ประโยชน์จากการที่เราให้ควรอายะเหล่านี้ทีนี้ครับทัศนะ ซึ่งผมค่อนข้างจะคอยตามนะครับค่อนข้างจะเห็นด้วยนะครับก็เป็นลัศษณะของซาบาอินุซูเบตมูชาฮิตแล้วก็มีสลับอีกหลายท่านนะครับผมเช่เดียวกับคอลัฟแล้วก็มีการอ้างด้วยอิบเนอบาสเนี่ยท่านก็มองว่าแปลแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันมองว่าไงครับ10คืนที่พวกลอสซาบาลเนี่ยหมายถึง10คืนของเดือนซุลฮิจจัชช่วงพิธีช่วงของการทำฮัทนั่นเองครับผม เขาบอกว่าทำไมจะไม่ใช่หรือ ว, ว่าตัวบทถ้าเกิดเราดูนะครับผมความประเสริฐของ10วันหรือว่า10บคืนในช่วงของสุ่นฮิจาย์เนี่ยความประเสริฐมากมายมหาศาลไม่จะเป็นตัวบทที่พี่น้องน่ยจะคุ้นเคยคันดีดดดด ก, นกันบ่อยนไม่เคยมาบุคคลีจากธนูอับบาสที่บอกว่าท่านอบีมูฮัมมัดละลอยสาลามกล่าวว่าไม่มีช่วงวันไหนอีกแล้วที่การทําการงานดีๆนั้นจะเป็นที่รักสำหรับฮอลล์มากไปกว่าช่วง10 วันนี้ช่วงช่วงวันเหล่านี้ซึ่งซาบะก็ถามว่าจีฮาร์ก็สู้ไม่ได้หรือนะบีก็บอกว่าจีฮาร์ตก็สู้ไม่ได้นอกจากคนที่จีฮารแล้วก็ไม่เหลืออะไรเลยทั้งชีวิตทรัพย์สินตายหมดเลยก็แปลวความประเสริฐของ10วันในช่วงซุนฮิจจั้นเนี่ยก็เยอะนักชาติก็บอกเนี่ยสิบคืนซุนฮิจจั้นประเสริฐก็เหมือนกับ10วันของซุนฮิจจัซึ่งอย่างที่เคยมีการพูดคุยกันไปแล้วครับก็มี ความเห็นต่างนะครับว่าตกลงสิวันไหนประเสริฐกว่ากันระหว่างสิบวันเดือนรอมฎอนกับสิวันซุนฮิจจาศูนย์ราชการบางส่วนก็เลือกทัศเสนอที่เอาตัวบทมารวมกันก็มองว่าสิบวันตอนกลางวันเนี่ยซุนฮิจจาประเสริฐกว่าส่วนสิบคืนของเดือนรอมฎอนนั้นประเสริฐที่สุดอันนี้ก็วะลอฮฺตาอัลลอัลลัมครับผมชวนพี่น้องพูดคุยครับถ้าเกิดพูดถึงช่วงส10บวันของซุนฮิจจาเนี่ยเราจะว่มีฮิกไหมมี ประโยชน์มีสาระมีสิ่งดีๆให้เราได้ใช้ค่ควรมากมายครับเพราะว่าไงครับอายะกุรานอายะที่มาประกาศความสมบูรณ์ของอิสลามเนี่ยก็ถูกประทานในวันอารอฮ์ฟ้าก็คือช่วง10วันของเดือนสุนฮิจาร์ใช่ไหมครับที่วา่าอัลยอมะอักมันตูละกุมดีนะกุมว่อัจมันตูอัลเลกุมเนียมัดีวะรดีตุลกุมุลอิสลา ม, มาดีนะวันนี้เราได้ทําให้ศาสนาของพวกเจ้าสมบูรณ์แล้วอายะกรานเนี่ยพอยูได้ยินยูบอกว่าไงครับ ยูบอกกับทานูมัตว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าอายานี้ถูกประทานมาให้กับเราเนี่ยเราจะถือว่าวันนั้นเน่ยเป็นวันอีกสําหรับเราเลยเป็นวันลื่นเรองเลยท่านูมัตก็บอกว่าฉันรู้ดีว่าอายาณ์นี้ถูกประทานมาเมื่อไหร่อายานี้ถูกประทานมาในวันศุกร์ที่เป็นวันอาราฟาที่ท่านนบีมุสลิมสั่งนั้งเป็นธรรมะกับบรรดาสาบะเพราะนั้นก็ถ้าเกิดเรามองว่าถ้าเกิดเรามองว่า เวลาฤาษีค่ำคืนทั้ง10บที่โพ /owl า, าบานเนี่ยคือค่ําคืนของเดือนซุนหิจจาถ้าอยางั้นวัน well, ฟัสอายะแรกล่ะก็จะหมายถึงวันที่สิบของสุนหิจจาถูกไหมครับซึ่งความหมายก็ล้อกันดีเช่นเดียวกันเพราะอย่างที่เรารู้กันครับว่าวันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับพ /owl สุภานวาตรานในรอบปีวันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับพ /owl สุภานวาตราาในรอบ ป, บบอบปีอย่างที่เราทราบกันก็คือ วันที่10บของเดือนสุนฮิจะนี่นก็คือวันอีดใหญ่นั่นเองอิดใหญ่นั่นเองที่ท่านบีบอ ส, สลซบออะละมุดอายามอิดัลลอฮยมุนนะฮัดวันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสหรับพวกเราสุบฮานุตลานั้นก็คือวันนะฮัดวันที่เชอดถ้าก่อนวันที่เชดมาคุยเรื่องวันอัลฟาหน่อยวันอฟอย่างที่เรารู้กันครับอยดอดูอาุอาัลอฟาการขอดุอาที่ดีที่สุดคือการขอดุอาในวันอรอฟา เป็นวันที่พวกล้อปล่อยคนให้รอดพ้นจากเฟรนรกมากที่สุดก็คือวันอัลลอฮ์ซึ่งในช่วง10วันของเดือนสุนฮิจั่นเนี่ยท่านลิบุอวมะท่านอบูฮัวเลรอสฮะบะหลายๆท่านเนี่ยท่านจะไปทําการตักบีตจะเข้าไปตลาดทาการตักบีตเพื่อให้ผู้คนผู้คนก็จะมาตักบีตกับพวกท่านไปด้วยเป็นการให้ความยิ่งใหญ่กับช่วงระยะเวลาที่พวกลรักแล้วก็เมตตาพวกเรานี่ก็คือทั้งห้า ความหมายของค่ําคืนทั้ง10นะคะผมทั้งที่แปลว่าเป็น10คืนแรกของระมอดอนสิคืนสุดท้ายของระมอดอนอ่าสิคืนแรกของเดือนมุฮัรรอมแล้วก็10คืนที่พวกร้อยได้ให้คํามั่นสัญญากับนบีมูซาที่ทําให้สมบูรณ์แล้วก็10วันของเดือนสุนฮิจะฐสิบคืนของเดือนสุนฮิจัฐวะลอฮูจาละอาลัมครับผมยม้ำอีกทีนะครับแนวทางของนักอถาธิบายคุรานแนวทางของนักตัฟซีจะไม่เหมือนกับแนวทางของนักฟิก แล้วก็ไม่เหมือนกับแนวทางของนักไฮดีสแนวทางจะต่างกันแนวทางจะต่างกันนักไฮดีสมีแนวทางในการที่จะตรวจสอบสถานะเข้มงวดอย่างที่เราทราบกันในรูปแบบที่ท่านทํำฟิกก็มีรูปแบบของฟิกที่ต้องมีเรื่องของการอิจติหาต้องมีเรื่องของการคํานึงถึงสภาพแวดล้อมหลายๆอย่างคือถ้าเกิดนักไฮดีสเนี่ยก็เอาสายแรงง anyway. านอย่างเดียวตัดสินสายรายงานอย่างเดียวคือเส้นตรงอย่างเดียวเลยส่วนนักฟิกเนี่ยก็ต้องมีการต้องรู้ คำอธิบายต้องดูบริบทต้องดูอะไรเยอะหน่อยเพราะแนวทางของนักฮะดิษกับแนวทางของนักฟิกจะไม่ค่อยเหมือนกันแล้วบางทีก็จะมีคอนฟ lict กันบ้างจะมีมาถ้าเป็นค่าเมืองก็เริ่มมาสมแขงกันบ้างนะครับผมในขณะที่แนวทางของนักทับซีดก็เช่นเดียวกันเพราะทับซีดเนี่ยก็จะมีการให้ความสําคัญกับการให้ความหมายของอัลกุรอานในมุมมองที่เป็นไปได้ที่ไม่ขัดกับผู้ในกับฮะดิษอื่น มีเรื่องของนาซิกมีเรื่องของนันซูซึ่งแนวทางของนักอธิบายกุรานก็จะเป็นอีกแนวทาง1ทั้งหมดเป็นแนวทางที่มาจากแทลบีมูมัสละลอของอัยฮิวะสลามซึ่งมีความอย่างที่บอกก็คือว่ามีบริบทที่ต่างกันรูปแบบหรืต่างกันเพรในเรื่องของทับซีนเนี่ยครับบางทีบางอายาเนี่ยถ้าเกิดว่าความหมายสามารถสื่อได้มากกว่าหนึง่งนักวิชาการก็จะถือว่าทั้งหมดนั้นเป็นไปได้หมดเลยก็คือจะไม่ได้มาซีเรียสเหมือนกับ ฮะดีสที่แบบว่ามันต้องถูกเพียงอันเดียวมันต้องฟันมันต้องเป๊ะมันต้องอะไรพเพราะทัศน์ีลปเรื่องของการให้ควรเป็นเรื่องของการได้ประโยชน์จากการทุ่มเทความคิดกับคําพูดของพวรสุภานณวัตราซึ่งคําพูดของพวสิ่งที่เรารู้ก็คือว่ามีฮิกมะอยู่มากมายมห AH าศาลเป็จนจินตนาการอันนี้ก็ขอย้ําให้กับพี่น้องที่รักทราบนะครับในถึงแนวทางทั้งสามเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็ถ้าใครที่ อ่านหนังสือเยอะๆนะครับก็จะพบว่ารพในเรื่องของฟิกเนี่ยบางครั้งนะักคดีพอมาถกกับนักฟิกปุ๊บบางทีถกแล้วมันไม่จบเพราะมองคนละมุมมองกันคนละมุมเหมือนนะักคดีกจะแบบว่าต้องตรงเนี่ยตัวบทต้องนี้ต้องตรงนแนวอย่างเยียวส่วนนักฟิกก็บอกว่า ต, ตัวบทเนี่ยแน่นอนต้องมาเป็นอันดับหนึ่งแต่มันต้องใช้ความเข้าใจของซาลับเข้าใจของซอฮาบะด้วยมันต้องมีองค์ประกอบอื่นๆมาประกอบด้วยนี่ก็คือเหตุผลที่ว่าบางทีเราจะพบว่าอย่างบ้านเราเนี่ยครับบางที เ อ, อ, อาจจะเอาแนวทางของฮะดิษมาใช้ในการตัดสินประเด็นฟิกเหมือนกับเรื่องบางเรื่องที่ว่านักวิชาการแทบจะทั้งโลกอะครับบอกว่าเป็นเรื่องที่อนุโลมได้แต่บ้านล้วก็อาจจะมีบางกลุ่มที่แบบไม่อนุโลมต้องตาว่าต้องชั้นเท่านั้นที่ถูกความถูกต้องที่อยู่กับชั้นเท่านั้นเพราะบางทีเขาอาจจะยึดเอาแนวทางของนักฮะดีษมาใช้ซึ่งวะลอฮ์คงตาละอาลัมครับผมเพราะเราท่านั้นที่รู้ดีที่สุดครับผมแล้วก็ทําในส่วนที่เรา มันใจว่ถ hmm. ูกต้องที่สุดครับขอบคุณคุณชาริอะครับสลามมาแล้วก็เป็นกําลังใจให้เจสากุมรอคาร์แล้วก็วาริคุมสลามมัลตุลอ้วบารอกาตูครับคุณสมพวรก็สลามมานะครับวาริคุมสลามมัลตลอ้วบารอกาตูเงี้ยตอนเนี้ยที่เราคุยกันอยู่ตอนนี้ในสุรัตน์ฟัดเราบอกว่าตอเนี้ยพวกเราสาบานด้วยกับ4ี่อย่างด้วยกันแล้วพวกเราก็บอกว่าในการสาบานเนี่ยมีประเด็นให้คุณคิดใช่ไหมล่ะสําหรับผู้ที่มีสติปัญญาแปลว่าเราเลยต้องมาให้ใช้เวลาตรงนี้นิดหนึ่งเวลฟัดวารยาลิลอช เราคุยกับพระสองอันขอสาบานด้วยกับยังรุ่นอรุณแล้วก็ขอสาบานด้วยกับข้าคืนทั้ง1ิบทังทั้งสองมีความเกี่ยวพันกันทั้งสองมีความเกี่ยวพันกันเรามาดูอันต่อไปครับวัชชฟีเวลด์วัชชฟีเวลดแล้วก็ขอสาบานด้วยกับคู่แล้วก็ขี้พี่น้องฟังแล้วพี่น้องเข้าใจอย่างไรบ้างครับผมอยากให้พี่น้องลองคิดก่อนอยากให้พี่น้องคิดดูก่อนว่า พอคิดถึงคู่กับขี้ในเราคิดถึงอะไรจะให้คิดก่อนตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวมีเฉลยเดี๋ยวมีเฉลยครับก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้นะครับผมผมไม่ได้มาสอนใหเ้เราใช้ความคิดกับคําพูดของผู้อ่านนะย้าไว้ก่อนนะครับแต่ถือว่าเป็นบรรยากาศของการเรียนรู้ครับคําว่าเชฟวลวัต คู่กับขี้เนี่ยนักวิชาการมีทัศนะเยอะมากๆครับผมเยอะมากๆว่าคู่กับขี้เนี่ยหมายถึงอะไรซึ่งแต่และทัศนะเนี่ยก็มีอ้างอิงหลายทัศนะอ้างอิงว่ามาจากท่านอบี ม, มลลลออุฮัมมัดสุลลัลฮุอัลลอฮิวะซัลลัมแปลว่าอัชชฟกับอัลวัตในที่เนี่ยแปลได้มากกว่าหนึ่งแน่อนอนละเพราะที่อ้า ง, องมาจากท่านอบีอย่างน้อยไม่จํากว่าสองสายรายงานไม่จํากว่า2ความหมายเรามาดูครับ คู่กับพี่ในที่นี้คืออะไรถ้าเกิดว่าเรากลับไปที่ประเด็นเดิมของเราถ้าเราแปลว่าววลาลีลาชค่คืนทั้งสิบคือสิบวันแรกของซุนฮิตจัะ๊ะถ้าเราแปลวันฟัชว่าคือเช้าของวันที่สิบของซุนฮิตจัะ๊ะคือวันอีดอาาัลฮะอัชชฟัฟวันวัดเนี่ยทัศนะแรกมองว่าไงครับในนี้ก็คือวันที่เก้าไง วันอาราฟ้าไงวันที่ประเสริฐที่สุดในเรื่องการขอดุทอาเพราะอาราฟ้าคือวันที่เท่าไหร่ครับวันที่9 9เลขขี้ไหมเลขขี้เพราะในนิยายบางส่วนก็มองว่าอลวิสในที่เี้ยที่บรัสซาบาดเนี้ยขี่ในที่เนี้ยก็หมายถึงวันที่เป็นเลขขี่คือวันอาราฟ้าส่วนเลขคู่แน่นอนผมคงไม่ต้องบอกแล้วใช่ไหมครับถ้าขี่คืออาราฟ้าคู่ก็ต้องเป็นอิดอัตฮาอีดใหญ่เพราะเป็นวันที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ที่วันอารฟาเนี่ยเป็นวันที่ดูอาดีที่สุดส่วนคู่เป็นวันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอันนี้เป็นทัศนะของเชคอิบนะอับบาสสวะบาอิบนอับบาสรอยอลอันหูของซันอีคลีมาของดอฮะครับผมทัศนะนี้ก็นักวิชาการหลายคนก็เห็นด้วยตามทัศนะนี้ว่าคู่กับพี่น่าจะแปลว่าแบบนี้ได้ด้วยผมใช้คาว่าได้ด้วยนะครับเพราะอาย่านี้แปลได้ามากกว่านี้วลลออาลัมอันที่สองครับ สายรายงานจากท่านวาซินบินซาอิฟเนี่ยบอกว่าเขาได้ไปถามท่านอาตออาตอก็คือซาราบะเข้าไปถามซาราบะครับว่า what shall we want ในที่นั้นแปลว่าอะไรขอสาบานด้วยกับคู่นั้นแล้วก็ขี้นั้นคู่นั้นขี้นั้นคืออะไรคือตัวของท่านวาซินเนี่ยถามบอกว่าหมายถึงละหมาดของเราใช่ไหมทั่ว่าละหมาดวิเตสหรือว่าละหมาดคู่ละหมาดขี้เนี่ยใช่ไหมท่านอะตอบอกว่าไม่ใช่ เทนาตโต้บอกว่าไม่ใช่เทนาตโต้บอกว่าไงครับคู่ในที่นี้คือวันอาราฟาแล้วขี่ในที่นี้คือคืน อ, อดาดาฮาพี่น้องจังใจฟังนีดหนึ่งบางท่านบอกอาจารย์แปลผิดหรือเปล่าทําไมบอกว่าคู่คือวันอาราฟาอาราฟาคือวันที่9้าไม่ใช่เหรอทําไมเป็นคู่แล้วทําไมขี้ถึงเป็นคืนของอดาดฮาซึ่งมันเป็นคืนที่สิบ มันมันต้องเป็นคู่ไม่ใช่เหรอประเด็นน่าสนใจครับพี่น้องประเด็นนี้น่าสนใจเดี๋ยวเราจะได้ความหมายความหมายหนึ่งของคําว่าชั่วกับวันรุษผมกําลังจะบอกครับนัวกวิชาการกําลังบอกให้เรารู้ว่าในด้านภาษาอาหรับเนี่ยภาษาอาหรับเนี่ยในเรื่องของการนับวันสามารถนับได้ทั้งจากต้นเดือนกับจากท้ายเดือน นับได้ทั้งจากต้นเดือนกับจาก้ายเดือนเหมือนกับในฮะดิซีทนบีมูฮัมมัดลโลอฮซับอกว่าให้สแสวงหาคือเลยตุนกอตในช่วง10คืนสุดท้ายนับจากถ้ายถ้ามี29วันก็นับจาก่้มาก้ายี่ปดี่ี่ห้สีสงนี่คือนับจากตอนถายเพราะฉะนั้น10ก็จะตรงท้ายด้วยกับ19หมายความว่าไงครับถ้าเกิดว่าเดือนไหนมี30 วันถ้าเรานับจากหนึ่งไปสามสิบวันที่สามสิบจะเป็นวันคู่แต่ถ้าเรานับจากสามสิบย้อนหลังกลับมาสามสิบจะกลายเป็นหนึ่งก็จะกลายเป็นขี่เพราะฉะนั้นในเรื่องเลขคู่เลขขี่นะครับในภาษาหลับสุบฮานัลลอฮจะเรียกว่าเป็นมาซศาจาันดีหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมแต่ก็คือว่าเวลาพูดเนี่ยเหมือนในสำนวนฮะดีสเนี่ยท่านอบดบียร์บอกครับให้สแสวงหาสามวันที่เหลือของรมอเดร ห้าวันที่เหลือของรม adan เจ็วันที่เหลือของรม adan สิบวันที่เหลือของรม adan คำว่าที่เหลือของรม a d a แปลว่าต้องนับจากหลังมาข้างหน้านับจากหลังมาข้างหน้าเพราะนั้นนับจากหลังมาข้างหน้าเนี่ยคู่อาจจะกลายเป็นขี้คู่อาจจะกลายเป็นขี้เพราะฉะนั้นในสายรายงานเนี่ยครับท่านอาตอเนี่ยบอกว่าไงครับขี้ในที่นี้คือขี้ที่กลายเป็นคู่แล้วคู่ในที่นี้คือคู่ที่กลายเป็นขี้พี่น้องฟังแล้วงงไหมถ้างงไม่ไปเลยพี่น้องวางไว้ก่อน หวางไว้ก่อนแต่พี่น้องท่านใดที่พอจะตามทันก็นี่เป็นทัศนะของท่านอัตอครับก็มองว่าคู่ที่พวกลาสาบานคืออารอฟาัฟะขี่ที่พวกลาสาบานคืออดาดดาห์ก็วัลลอฮฺตาลาอาลลัมครับผมวันนี้ชวนมือกันพอสังเข็บนะครับผมชวนมือกันพอสังเข็คุณกิติศักดิ์สลามาครับ ว, รรวันวนี้คุณสลาโนตเลอบบูบาร์กาทูจ่จากนครศรีนะครับผม อ่ะอนสัสทักทายมาครับผมอมผมไม่เห็นข้อความขอมับด้วยเห็นแต่ครัวว่าวิชาตับซีดเอ่อ Facebook เซบุ๊กคอาโชว์อะไรแปลกๆนะครับผมอ่ะดูทัศนก่อนจนกว่าผมเขียนข้อความมาแล้วครับผมต่อไปครับทัศนะที่สามครับทัศนะที่สามอีกหนึ่งความหมายซึ่งแปลได้เช่นเดียวกัน ในเรื่องการสาบานด้วยกับขี้กับผูที่ในที่นี้หมายถึงผู้ลอสุปหานหัวตาลาแล้วคู่ในที่นี้หมายถึงสิ่งที่พระลอสร้างทั้งหมดคือพระลอสาบานด้วยกับตัวพระองค์เองแล้วก็สาบานด้วยกับทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงสร้างความหมายนี้ถ้าเรานั่งใขว่ควรานลฟ์จ well, ลุงอรุณวลญาลิลอชข้าคืนทั้ง10บเชชฟีวัลวัตทั้งสิ่งที่พระลอสร้างแล้วก็ทั้งผู้ลอสุปหานหัวตาลา ถ้าเรานั่งคิดปุ๊บความหมายจะยิ่งแตกไปอีกเยอะเลยอยู่ในข้อขอยห ม, ม่มบุคคลีห ม, ม่ามมุสลิมครับจากสายงานจากท่านอบูฮุเรย์รอท่านอบีุมั ม, มลมัสุลามกล่าวว่าไงครับแน่นอนผัวร้อยนั้นมีอยู่99พระนาม100หากไปหนึ่งที่ว่าใครเนี่ยได้พยายามรวบรวมทั้ง99พระนามเนี่ยเขาจะได้เข้าสวรรค์ว่าหั ว, ววิตรุนอยู่ที่บุลวิตรอ ประเนอยู่ตรงนี้ครับวะฮุวะ ว, วิตรุนและพวงนั้นเป็นขี้และพวงอัลลอฮ์ น, นั้นชอบเลขขี้อีกอย่นี้คือคอคารายสัอีไม่เอกย้ํานะครับผมเพราะจากฮะดีสเนี่ยก็ย้ํานะครับว่าพวกอัลลอฮ์ น, นั้นรักเลขขี้เพราะนั้นมุสลิมเราก็ควรจะรักเลขขี้ด้วยนะครับผม ซึ่งท่นมูจาฮิตเนี่ยท่านก็บอกว่าชาฟัฟในที่เนี่ยที่บอกว่าคู่เนี่ยคือสิ่งที่ถูกสร้างมาเป็นคู่คู่ทุกอย่างที่พระองค์สร้างมาเป็นคู่คู่ส่วนวัดเนี่ยก็คือพระลอสุบะฮันอวยวะตาลาเหมือนกับในอัลเนสราอันนัชม ค, ครับในอันเนชมีว่าอันหุขารกษเจ้าชายนิดะกราวันอุนซาและพรได้สร้างคู่ครองมาให้เป็นผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงสิ่งมิชิตที่พระองค์สร้างมาให้เป็นคู่อย่างที่เราดูครับก็จะเป็นชายกับหญิงนี่คือการสร้างของพระลอสที่มันจะเป็นแบบนี้ บางคนอาจจะบอกอ้าวบางอย่างไม่มีเพศอาจารย์งั้นก็ไม่ได้คุยไม่ได้พูดถึงนี่ครับเราพูดถึงสิ่งที่พระรสร้างมาให้มันอยู่กันเป็นคู่เพราะนั้นมนุษย์ที่พระรสร้างมาให้อยู่เป็นคู่แต่เมื่อเลือกที่จะอยู่เป็นคู่ที่จับคู่แบบผิดๆจึงถูกทัรร่วลรอสาบแช่งว่าถือว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่พระรสร้างมาเพื่อให้เป็นแบบนั้นผู้ชายเลือกอยู่กับผู้ชายผู้หญิงเลือกอยู่กับผู้หญิงเราไม่เรียกว่าเป็นความคิดเสรีแต่เราเรียกว่าเป็นความถดถอยทางมนุษยธรรมว่าแล้วแตาละอารมครับผม ซึ่งถ้าเกิดเราดูครับในสิการสร้างของผู้วอร์รอยเนี่ยหลายอย่างที่เราสร้างมาเป็นคู่เป็นคู่คู่ท้องฟ้าก็จะมีคู่กับแผ่นดินถูกไหมครับเรามีบกก็จะมีทะเลมีมนุษย์ก็มียินมีดวงอาทิตย์ก็มีดวงจันทร์แล้วก็อีกหลายๆอย่างซึ่งตรงนี้แหละครับในยักขุลานละหลายที่วอมินกุลิเชนคอลักนะเซลเจนีและอัลเลคุมแตดกการูนและด้วยจากทุกสิ่งนั้นที่เราได้สร้างให้มาเป็นคู่ ให้อยู่กันเป็นคู่หวังว่าพวกเจ้าจะได้ไข้ควรก็คือเพื่อที่เจ้าจะได้รู้ว่าที่พวกเราสร้างมานะ่ยมันต้องอยู่เป็นคู่คู่คู่นี่คือคุณลักษณะของสิ่งถูกสร้างแต่ถ้าผู้สร้างนั้นต้องมีเพียงพระองค์เดียวเพื่อบอกให้รู้ว่าต่างกันเลยนะเพราะนั้นที่เราสาบานว่าเวชชัฟวิวัลว e ัตสาบานด้วยกับสิ่งที่ถูกสร้างคือสิ่งถูกสร้างไม่สมบูรณ์ไงก็เลยต้องอยู่เป็นคู่เพื่อมีการสืบทอดเผ่าพันธุ์เพื่อรักษาเผ่าพันธุ์ในขณะที่ผู้สร้างพคกมีเพียง พระองค์เดียวพระองค์ไม่จําเป็นต้องมีลูกพระองค์ไม่จําเป็นต้องมีคู่ครองพระองค์ไม่จําเป็นต้องมีพ่อนี่คือความสมบูรณ์ของผู้สร้างพอเรามาคิดถึงความหมายตรงนี้ว่าชั่วว่าลวัธในความหมายนี้ขอสะบานด้วยกับทุกสิ่งที่พระองค์สร้างซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สมบูรณ์แล้วเราจะไปกล่าวไหว้สิ่งเหล่านั้นทําไมเราจะไปกลัวสิ่งเหล่านั้นทําไมทําไมเราถึงไม่กลัวผู้สร้างทําไมไม่รักผู้สร้างทําไมไม่หวังจากผู้สร้างพี่น้องเห็นไหมครับใน ทุกสิ่งที่พ่อร้อยได้สาบานนั้นล้วนแล้วแต่เป็นสาระที่สำคัญยิ่งที่มุสลิมเหล่านั้นจะได้ประโยชน์ถ้าหากว่าเราจะให้ควรนะครับผมถ้าหากว่าเราจะได้ใช้สิปัญญาอย่างแท้จริงโอเคครับอ่ะข้อความเห็นแล้วนะครับผมอ๋อนะถามว่าวิชาตัซีสมีวันไหนบ้างก็เออ จะจากคุณแล้ครับเขาคุณสับปับคําถามครับผมเรื่องตารางสอนนะครับอย่างพี่น้องบางท่านอาจจะเห็นนะครับบางอาทิตย์ผมเริ่องบรรจารบางทิตผมเรื่องวางอาององคารก็บางทีต้องดูกําหนดการวันพรหัสสุกผมบางทีถ้ามีงานปุ๊บคืออาทิตย์หนึ่งผมตั้งใจว่าจะมีการเรียนการสอนสามวันที่ว่าออนไลน์แบบนี้นะครับที่เป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยนะตั้งใจว่าจะมีสามวันถ้าถามว่าทัปซีมีวันไหนผมอาจจะระบุวันไม่ได้ แต่ผมบอกคร่าวๆได้ว่าถ้ามีการเรียนการสอนอาทิตย์ละสวันวันแรกจะมีฟิกกับดูอาวันที่สองจะมีทับซีดกับดูอาวันที่3ามจะมีทับซีดกับฟิกเพราะฉะนั้นวันที่2กับวันที่สามจะมีทับซีดวันแรกกับวันที่สามจะเป็นฟิกวันแรกกับวันที่2จะเป็นดูอาก็ประมาณนี้นะครับผมเพียงแต่ว่าต้องดูว่าผมเริ่มวันจันทร์หรือเริ่มว okay. ันอังคารหรือบางทีอาจจะเริ่มวันพุธนะครับผม ขอมาพี่น้องทุกท่านจริงๆครับบางทีตารางชีวิต ม, มันยังไปไม่ได้มันยังไม่ลงตัวครับผมหวังว่าจะลงตัวไวๆแล้วก็นะกลับมาคุยไปเรข้างเรา้ต่อวัชชฟีวัลวัตเราคุยไปแล้วสามทัศนะเราคุยไปแล้วสามทัศนะที่ว่าชั่วัตคู่กับขี้ในที่แปลว่าอะไรทัศนะแรกบอกว่าอะไรนะครับขี้ก็คืออารอฟา้าคู่ก็คืออีดิลอาทัศนะที่สองสลับกัน ขี้กลายเป็นอเดฮาคู่กลายเป็นอรลฟาศาสนาที่สาคู่ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกสร้างขี้ก็หมายถึงพวกลอสซูบฮานหนะฮุวุตะอาลาศาสนาที่สครับผมคู่กับขี้ในที่นี้ก็หมายถึงละหมาดปกติเลยอย่างที่เรารู้พวกลอสซูบฮานอตากํหนดาหนดให้พวกเรานั้นละหมาดซึ่งละหมาดของพวกเรานั้นก็มีทั้งละหมาดที่เป็นเลขคู่แล้วก็ละหมาดที่เป็นเลขขี้ จริงๆถ้ามีเวลานะครับผมอยากเอาทุกทศนิยามมาโยงกันให้หมดเลยกับสี่อายะว่าถ้าแปลแบบแรกเนี่ยโยงสี่อายะจะเป็นยังไงวร์เฟิสวรยาลีาสิสทับโยรวัตบาลีลีสัยยสถ้าแปลแบบที่สองโยงกันทั้งสี่จะเป็นยังไงแปลเป็นวิสามโยงกันจะเป็นยังไงแต่ผมกลัวว่ามันมันจะมันจะซับซ้อนไปแล้วพี่น้องจะไม่จะไม่แฮปปี้กันประมาณนั้นนะครับกลัวจะไม่ไหวกันผมก็เลย รวมในบางส่วนแล้วกันแต่ถ้าท่านใดมีคอมเมนต์ก็ยินดีนะครับผมเงี้ยถ้าท่านสี่มองว่าไงครับจากเอ่อท่านอิมรอนบินโฮเซน่นน่ะครับผมจากท่านกตาด้าด้วยนะครับผมบอกว่าที่โพลัสสาบาเนี่ยที่เป็นเลขคู่กับเลขคี่ก็หมายถึงละหมาดโพลัสสาบานด้วยกับการละหมาดให้เราได้ไขว่ควรให้เราได้ให้ความสําคัญกับการละหมาด ไม่ว่าจะเป็นละหมาดคู่หรือละหมาดขี้ก็ตามอย่างละหมาดคู่ก็ละหมาดทั่วทั่วไปใช่ไหมครับผมละหมาดยามค่ำคืนท่านวีบอกสุรัตุเลนมัสนามัสนาละหมาดยามค่าคืนก็ทีละสทีละสทีละสงถ้าเป็นฟัดดูก็ฟัเจรีก็สองใช่ไหมครับดูรีสองอซัตสองอาซอาซัดสเขามัดูรีสเบอรเบอมักริบสามอเลคีอิชาก็4แล้วก็จะมีวิเตที่ว่าสามก็แปลว่าละหมาดก็มีทั้งละหมาดคู่ละหมาดขี่ซึ่งทั้งหมดมีประเด็นมีสาระหมดเลยมักรีบ ก่อนที่จะเข้ากลางคืนเนี่ยด้วยกับเลขคี่แล้วปิดกลางคืนก็คือละหมาดวิเตสใช่ไหมครับก็ด้วยกับเลขคี่ถ้าสังเกตดูนะพี่น้องเริ่มคืนด้วยกับเลขคี่ปิดกลางคืนก็ด้วยกับเลขคี่มีประเด็นครับคือถ้าเรามานั่งคิดกันนะเราคุยกันได้อีกเยอะนะครับนะครับว่าวัชชัฟวิวัลวัชเรามาดูทัศนะต่อไปครับผมทัศนะที่ห้าครับจากท่านฮัสซันครับผมหลานนาบีเนี่ยแหละครับผมท่านฮัซันบอกไว้ยังไงครับ ประโยชเราอันของอัจฉริยนะครับเลขคู่เลขคี่ที่บริสาบานก็คือตัวเลขเลยตัวเลขเลยถือว่าตัวเลขมีทั้งเลขคี่แล้วก็เลขคู่หนึ่งเลขคี่สองเลขคู่สามเลขคี่สี่เลขคู่ห้าเลขคี่หกเลขคู่ก็คือพบรสษับานเท่ากับตัวเลขทําไมต้องสาบานเท่ากับตัวเลขเพราะตัวเลขเป็นสิ่งที่ในชีวิตประจําวันเราไม่มีทางหนีพ้นเลยเราต้องอยู่ด้วยกับตัวเลขอ่ะมีภรรยากี่คนอ่ะหนึ่งคนหรือว่าสองคนไม่รู้นะ บางคนมีพภรรยาเป็นเลขที่บางคนมีภรรยาเป็นเลขคู่อ่ะทางานอ่ะได้เงินเดือนอ่ะมีเงินเข้ามากินอาหารจํานวนคำอาจจะจำนวนจานน่ยจำนวนแก้วนะับชีวิตเรามีแต่เรื่องของตัวเลขอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะรักตัวเลขเราจะเกลียดวิชาเลขก็ตามมา น, นะครับผมชีวิตเราหนีเลขไม่พ้นครับซึ่งท่านฮัสซันก็บอกเนี่ยที่พวกลอสซาบาร์เนี่ยก็คือตัวเลขเลยเรื่องของตัวเลขเลยเลขที่กับเลขคู่ท่านไซดบินเอาฟครับบอกว่าท่านได้ยินท่านอินุสเบดก็เป็น ซาฮาบะดุนอวุโสนะครับผมท่านถามอิบนุซูเบศครับบอกว่ายามิลุมุมินินผู้นำของผู้ศรัทธาเนี่ยช่วยบอกทีว่าอัชชัฟกับ ว, วัดอิกุลาเน่ยแปลว่าอะไรท่านอิบนุซูเบศครับได้อธิบายไว้ความหมายของชัฟกับวัดซึ่งสอดคล้องกับความหมายค่ําคืนทั้ง10ที่แปลว่าเดือนซุนฮิจัฐท่านแปลว่าไงครับท่านแปลว่า และคู่กับเลขคี่ในที่เนี่ยก็คือคำกล่าวของโพรลาที่บอกว่าฟะมันตะอัจเจลฟิเยว์ไม่นิฟะลาอิสมาเลหีวะมันตะอัคคอร์ฟฟลาอิสมาเลหีลิมณิตตะกอที่ท่านอับดุลซูเบตได้ขยายความไว้ความหมายจะสอดคล้องกับทั้งสี่อายะที่พูดมาอีกความหมายนึงยังไงครับคุยด้วยกันนะผมจะพยายามทำให้ง่ายสุดอในเชาวันนะครับ ข้อหมายที่คานนิมูซูเบสบอกน่พี่น้องเรากลับไปคำคืนทั้งสิบถ้าเราแปลว่าคือสิบคืนของเดือนซุนฮิจจะาเวลฟัชเราแปลว่าเป็นยามเช้าของวันที่ประเสริฐที่สุดคือวันอิดดิลอดาดฮะเวลฟัชวัลยาลิลัสวัชชัฟอีวัวัตแล้วก็ทั้งที่กับคู่ในที่นี้มูซูเบตมองว่ามันหมายถึงคืนที่สิบสองกับคืนที่สิบสามวันที่สิบสองวันที่สิบสาม ของเดือนสุนหิจั้ก็คือวันตากเงื้อ น, นั่นเอง อ, อย่างที่พรกเราทราท่านพี่น้องข้างไหนที่ว่ามีโแกะเรียไปทำฮัชมาหลังจากที่เราขว้างเสาเสร็จแล้วหลังจากที่ขว้างเสาเสร็จแล้วหลังจากที่เราทําการเชื่อคือหลังจากเสร็จวันที่10บอะครับภารกิจวันที่10บเนะี่ยฮุจจั้กต้องอยู่ที่มีนาอย่างน้อยสองวันถูกไหมครับ2วันอย่างน้อยสองวันเพื่อขว้างเสาหินต่อซึ่งพวกเราบอกว่าจะอยู่2วันก็ได้หรือจะอยู่3ามวันก็ได้ สองวันก็ได้สาวันก็ได้ถ้าใครที่เร่งใครที่มีงานด่วนต้องรีบไปทำอยู่ข้างเสาหินอีกสองวันก็พอก็คือวันที่สิบเอดวันที่สิบสองแล้วก็ออกไปได้เลยไปกลับบ้านไปทำธุระได้เล ย, เลยถ้าใครมีเวลาก็สิบเอ็ดสิบสองสิบสารอินุเรเบตบอกว่าที่พระรัาบาลด้วยกับเลขคู่ก็คือสองวันซึ่งชาวฮัทเนี่จะข้างหินต่อ ส่วนสาบานเท่ากับเลขที่ก็คือ3มวันสำหรับคนที่จะอยู่ขว้างจนครบ3ามวันถ้าแปลแบบนี้ปุ๊บความหมายเกี่ยวเนื่องกันเลยวลฟ์วลเลยาลิลอชวัชัฟวัลวัชเดี๋ยวก็จะเหลือวลเลยิดายัสเดี๋ยวเราจะคุยกันในครั้งต่อไปนะครับครั้งนี้น่าจะไม่ทันละซึ่งนันแะครับท่านชาบสครับเช่นเดียวกันมองเหมือนกับทนมอง เห็นเช่นเดียวกับท่านอุนซูเบสนะครับท่านชาบิดก็มองว่าท่านนบีท่านรายงานฮะดิษเลยท่านบอกว่าท่านนับีุมอมัสรอสลามกล่าวว่าชัฟอู้คู่ในที่นี้ก็คือสองวันวันวัตรรก็คือสามวันวันที่สามชัฟสองวันแรกวัตวันที่สามแล้วก็อย่างที่ผมบอกครับแนวทางของนักทัพซีครับถ้าในส่วนของอาญาไหนก็ตามที่สามารถอธิบายได้มากกว่าหนึ่ง แล้วทุกคําอธิบายนั้นมีการมีเหตุผลรองรับที่น่าเชื่อถือพอทุกความหมายนั้นเป็นไปได้หมดเลยทุกความหมายนั้นเป็นไปได้หมดเหมือนกับที่เราคุยในซูราวัลอาดิยะถ้าพี่น้องท่านใดสนใจกลับไปรับชมได้วัลอาดิยะจะแปลได้2 อ, อย่างเลยแล้วก็จะได้คนละความรู้สึกเลยคนละฟีลลิ่งเลยวัลอาดิยะส่วนใหญ่เราจะแปลว่ามา้าใช่ไหมครับม้าที่ออกไปพุ่งลบออกสึกแปลได้อีกอย่างก็คืออูฐที่ถูกบรรทุกเพื่อที่จะ เอาคนไปทําฮัตช์คนละอารมณ์เลยพี่น้องถ้าพี่น้องแปลว่าอาดียตัตอันแรกแปลเกี่ยวกับมา้าทั้งหมดปุ๊บอารมณ์จะไปอีกแบบหนึ่งจะไเกี่ยวกับเรื่องสงคารามจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องชีฮัดแต่ถ้าแปลด้วยกับอารมณ์ด้วยกับอูดที่กําลังพาคนไปทำฮัตช์ความหมายก็จะไปอีกฟีลลิ่งนึงเลยซึ่งได้ทั้งคู่ได้ทั้งคู่เพราะฉะนั้นครับ as if one watch ในที่นี้ในยักกุรานี้จึงแปลได้ทั้งหมดตามที่ว่าม า, ว, ลลาม ว, วัลลอฮฺอัลลามโพลัสสุภาอัลลาตาเท่านั้นที่รู้ดีที่สุดซึ่งถ้ามีเวลาพี่น้องพี่น้องลองมานั่งไข้ควรดูอถ้าแปลแบบแรกเนี่ยสามอญญายะห์จะไปยังไงแปลแบบที่2อสอสายะห์ญญจะไปยังไงแปลแบบที่3 3อายะห์จะไปยังไงแล้วยิ่งพี่น้องคิดมากพี่น้องจะยิ่งเข้าใจความหมายที่ว่าฮัลฟีเดเลกาคอสเซร์มุนลีดีฮิในการสาบานนี้มีเรื่องให้ได้ไข้ควรมีเรื่องให้ได้ไปประโยชน์ สำหรับผู้ที่มีสติปัญญาไม่ใช่กันนั้นหรือปรเดนนี้คิดเยอะมากๆครับพี่น้องคืออัลกุรอานนะพี่น้องอัลกุรอานการละมุลลอคำพูดของพู้อัลลอ์เป็นสิ่งที่เกินความสามารถของโมเซชาทุกคนไม่ใช่เกินความสามารถของเราแค่เรื่องของการเรียนแบบนะพี่น้องบางคนเข้าใจว่ากุรอานเนี่ยที่มันเกินความซ้เกินความสามารถของมนุษย์คือการ เรียนแบบคือมนุษย์ไม่สามารถแต่งคำพีไหนให้มีความงดงามความสมบูรณ์ใกล้เคียงกับกุรานได้แต่ความเป็นจริงแล้วมากกว่านั้นครับแค่เราจะทำความเข้าใจอายะกุรานตามที่เป็นยังแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับเพราะมีประเด็นเยอะมากบางคนบอกอ้าไหนกุรานชัดเจนมันก็ต้องชัดเจนมันก็ต้องแปลชัดๆสิพี่น้องลรามาเรียนสิ พี่น้องลองอ่านทับซีดสิเอาลองอ่านทับซีดินมูกะซีสิสนักวิชาการปาดสลับทุกคนยอมรับปาดยุคหลังทุกคนยอมรับทับซีดอินมูกะซีว่าเป็นหนึ่งในทับซีด ท, ที่ทรงคุณค่ามากๆพี่น้องลองไปอ่านแล้วลองไปดูซิว่าคนที่บอกว่าเนี่ยมันต้องตรงๆมันต้องมีแค่อันเดียวเดี๋ยพี่น้องทําได้ไหมล่ะมันเกินความสามารถของมนุษย์ครับเช่นเดียวกันกับการแปลอัลกุรอานครับผมเป็นไปไม่ได้ที่จะมีใคร แปลอัลกุรอานเป็นอีกภาษาหนึ่งโดยคงไว้ทุกความหมายอย่างครบถ้วนเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้พี่น้องจะแปลเป็นภาษาอังกฤษพี่น้องจะแปลเป็นภาษาไทยพี่น้องไม่สามารถถอดความหมายทั้งหมดมาได้โดยเพราะจุดเด่นของภาษาหลับซึ่งมีจุดเฉพาะมีมีจุดเด่นเฉพาะของภาษาอยู่คือแต่ละภาษามีจุดเด่นเฉพาะใช่ไหมครับการที่เราจะถอดประเด็นทั้งหมดมาจากอีกภาษาหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมาก เป็นเรื่องที่ยากมากแล้วถ้าจะถอดมาจากกุรานเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยแต่เราทําความเข้าใจได้เราศึกษาตามระดับความสามารถของเราได้ พ, พ่อคะก็เรียนรู้กุรานได้ตามทักษะตามประสบการณ์ของพ่อค้าคนเป็นหมอก็เข้าใจกุรานตามประสบการณ์ของคนเป็นหมอได้คนแต่ละคนเรียนรู้กุรานได้แล้วเขาก็จะเข้าใจกุรานในประสบการณ์ที่เขามีแต่แน่นอนครับเขาต้องเรียนรู้จากผู้รู้หรือต้องเรียนรู้จาก รูปแบบความหมายที่ถูกต้องด้วยนะครับผมแต่คนแต่ละคนก็จึงมีประสบการณ์ของตัวเองใช่ไหมครับบางคนพี่น้องดูตัวเองเลยก็ได้อะดูตัวเองอันนี้คือผมก็ดูตัวผมเองตอนผมอายุสิบกว่าขวบอ่านฟาติฮะผมเข้าใจคือความหมายก็ตามนั่นแหละความหมายเดิมเลยผมเข้าใจแบบนั้นเลยแต่ว่าความเข้าใจเนี่ยมันเป็นอีกระดับหนึ่งมันไม่ลึกซึ้งพอเราโตขึ้นพอเราอายุสักยี่สิบอะพอกลับมาอ่านฟาติฮะความหมายเดิมเดิมความเข้าใจเรามากขึ้น เออมันมากขึ้นพอสามสิบไปอ่านปุ๊บความเข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นสี่สิบไปอ่านความเข้าใจลึกซึ้งมากขึ้น ท, ท, ทั้งๆที่ความหมายเดิมๆ เ, เลยอัลฮัมดุลิลลหฮิรอบิลลาอะมีความหมายเดิมแต่พอเรามีประสบการณ์ในชีวิตมากยิ่งขึ้นพอเราไปอ่านปุ๊บโอ้ขอบคุณพ่อร้อยในสารพัดเรื่องที่เราคิดไม่ถึงมาก่อนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องดีเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องดีเ ร, ง เ, เ, รงดเรื่องนี้เรามองว่าไม่ดีแต่มันดีอัลกุรานเป็นคำพีที่มหัศจรรย์ ที่สุดแล้วที่มีบนโลกใบนี้แล้วก็เป็นคำพูดที่งดงานที่สุดดีงานที่สุดแล้วใครก็ตามที่ได้อ่านมันเขาจะได้ประโยชน์อย่างแน่นอนถ้าเกิดว่าเขาตั้งใจอ่านเพื่อที่จะได้ประโยชน์นะครับผมในที่นี้ครับพี่น้องถ้าพี่น้องไปดูทับซีดของคินูชาริสนะครับผมอตบารีับซีดอตบารีนะครับเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักศึกษานะครับผมเชคินูชาริสเนี่ยท่านก็ได้บอกทัศนะต่าง ของความหมายว่าอัชชัปยวนวัตแปลว่าอะไรไว้บ้างพอท่านบอกไว้หมดปุ๊บท่านก็ไม่ได้มาสรุปว่าตกลงความหมายไหนถูกอย่างที่ผมบอกนี่คือแนวทางของนักตับซีฟนี่คือแนวทางของนักดับซีฟซึ่งจะไม่ตรงกับแนวทางของนักขดีสขอขอย้ําอีกทีหนึ่งครับแต่ละแนวทางเนี่ยมีรูปแบบที่ต้องใช้อย่างแนวทางนักขดีสเนี่ยต้องใช้ในเรื่องของขดีสจาเป็นต้องใช้เลย คือเอาแนวทางฟิกไปใช้ในเรื่องของการตรวจสอบฮะดิษน่ยไม่ได้เอาแนวทางตัฟซีดไปใช้กับฮะดิษก็ไม่ได้ตัฟซีดฮะดิษเนี่ยต้องใช้แนวทางฮะดิษเฉพาะฟิกก็ต้องใช้แนวทางของฟิกเฉพาะตัฟซีดก็ต้องใช้แนวทางของตัฟซีดเฉพาะก็ย้ำนะครับย้ำบางคนไม่เข้าใจเอาแนวทางเดียวไปใช้หมดเลยเราจะไม่เข้าใจอิสลามอย่างแท้จริงครับเราจะไม่เข้าใจอิสลามอย่างแท้จริงนี่คือเหตุผลว่าทําไมมันต้องเรียนตลอดชีวิตแต่พี่น้อง ถ้ามันง่ายๆ ต, ๆตรงๆแบบว่าเอามาแปลจบต้องเป็นตามนั้นไม่ต้องเรียนตลอดชีวิตกันขนาดนั้นหรอกพี่น้องให้ g o o g l ลเป็นอาจารย์เป็นศาสตราจารย์พอแล้วแต่อิสลามลึกซึ้งกว่านั้นงดงามกว่านั้นแล้วก็มีความเป็นมนุษย์มากกว่านั้นเยอะเลยครับผมก็บารัคลลอฮฺีกุ่มขอบคุณพี่น้องที่พ่านที่มี ส่วนรวมนะครับทั้งพี่น้องที่รับชมออนไลน์ทั้งพี่น้องที่ว่าอาจจะมารับชมย้อนหลังนะครับพูดผมพูดสิ่งใดผิดหรือมีอะไรเสนอแนะแนะนำผมย่าดีต้อนรับการเสนอแนะแนะนําของพี่น้องที่รักนะครับผมแล้วก็ขอดอวยจากผู้ลอสสุบฮานหัวตายละครับให้พวกนั้นช่วยเหลือเราให้พวกนั้นเมตตาเราให้พวกนั้นรักเราให้พวกนั้นให้อัลกุรอานนั้นเป็นแก้วตาดวงใจของพวกเราให้กุรอานนั้นเป็นที่พักพิงของพวกเราให้กุรอานนั้นเป็นสิ่งที่ช่วยเยียวยา สมานแผ่ใจของเราทำให้เรานั้นมีแรงที่จะยืนหยัดต่อไปในชณะบาวของพวกลัทธิสุภาราตระขออวยจากพวกลัทสุภาราตราผู้เป็นที่พึ่งเดียวของเราผู้เป็นผู้สร้างเพียงผู้เดียว ผู้ที่ไม่มีพยากรณ์นอกจากพระองค์ผู้ที่ไม่มีวิดาไม่มีบุตรไม่มีผู้คลองไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพวกเลยขอดูอาจากพวกล้อสุบฮานุวัตราชให้เราสิ่งที่ผิดเป็นสิ่งที่ผิดให้เราออกห่างจากมันได้ให้เราทิ้งมันได้ขอเขาดูอาจากผูกให้เราเป็นสิ่งที่ถูกเป็นสิ่งที่ถูกต้องจริงๆให้เรายึดมั่นสิ่งที่ถูกนั้นสิ่งไหนที่เราเข้าใจผิดยาวล้อปวดให้เราเข้าใจถูกสิ่งไหนก็ตามที่เราเข้าใจถูกยาวล้อปวดให้เรานั้นสามารถกระทําตามที่เราต้องกระทาได้แล้วก็สิ่งไหนก็ตามที่เราทําาาแลล้วมมัันไ่ดดียยอเโปรภำ เมตตาเราโปวดเปลี่ยนมันเป็นความดีงามให้แก่พวกเราแล้วความดีงามใดๆก็ตามที่พวกเราทําไปขอโดยาจากพวกลัทธิพานนหัตตาให้มันนั้นอยู่ในตราชั่งที่ดีงามของพวกเราเพราะว่าการงานของพวกเรานั้นอ่อนแอการงานของพวกเราทุกคนนั้นอ่อนแอเพราะการงานของพวกเราทุกคนนั้นสามารถถูกทําลายได้ตลอดเวลา บางทีด้วยกับคําพูดของเราบางทีด้วยกับการอวดของเราบางทีด้วยกับการที่เราเข้าใจผิดยาวแล้วการงานใดก็ตามที่เราทําโดยมีเจตนาบริสุทธิ์เพื่อโป้งโปรดรับมันด้วยโปรดให้มันนั้นอยู่ในตาชั่งที่ดีงามของพวกเราแล้วก็อย่าให้เรานั้นอยู่ในกลุ่มผู้ที่ขาดทุนในวันเกียร์มาวันซึ่งความเศร้าโศกเสียใจใดๆจะไม่ยังประโยชน์อีกเลย อาเมนครับอะกูลุคอลีฮะดะวัสกุลลอฮะลักุมวลสัลลมุสลิมีนามนุกุลมสักฟิรูอินลักฟูอรม س ัลลอฮมมดิกะอัชฮะดุลไลลาอละสักกุกะตบุไลอัสลามะลุมมรุลลอฮวะบารกาตุครับเดี๋ยวเรามาพบกันที่ช่วง2ช่วงที่สองินชาอัลลดูอาบ้านมุสลิมครับผม